รเรามีโอกาสทําบุญได้มากได้มากกว่าโลกอื่นไม่มีโลกไหนแล้วที่จะเป็นโอกาสที่เราจะได้มาสั่งสมบุญของเราเสียดายบางคนเกิดมาแล้วอยู่ในฐานะเป็นผู้เสวยบุญเช่นเรากล่าวว่าท่านผู้มีบุญหนักสักใหญ่ท่านเกิดมาท่านก็มีบุญมีอำนาจวาสนามีทรัพย์ปรึงคารต่างๆอันนี้เป็นผลแห่งบุญของแต่ละคนที่ทามา ถ้าไม่ทําบุญแต่อดีตมาแล้วจะได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาไม่ได้อดีตนั้นอาจจะเป็นอดีตเมื่อชาติก่อนและอดีตเมื่อชาตินี้การทําความดีเมื่อห้าปีก่อนก็เป็นอดีตเมื่อวานนี้ก็เป็นอดีตซึ่งอาจจะส่งผลให้มาสบายในวันนี้ก็ได้แต่ว่าบุญเหล่านี้ถ้าหากว่า มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเสวยบุญแล้วแล้วไม่สั่งสมบุญเพิ่มเติมก็เหมือนกับคนที่เกิดมาใช้มรดกของพ่อแม่หรือใช้มรดกของตนเองให้มันล่อล้อลงทุกวันทุกวันผลสุดท้ายก็จะอยู่ในฐานะของคนหมดบุญเมื่อหมดบุญแล้วก็จะยากไรจะตายอย่างคนอนาถาไร้ญาติขาดมิตรตัวอย่างให้ดูในช่วงชีวิตของท่านแต่ละท่านเนี่ย คิดว่าท่านทั้งหลายคงจะได้เห็นบทเรียนเช่นนี้มากันอย่างมากมายแล้วและบางท่านคงจะได้ผ่านชีวิตเช่นนี้มาอย่างโชคชนว่าจากการบุคคลที่มีบุญแล้วก็หมดบุญนั้นมันมีความทุกข์อย่างไรเช่นผู้ดีตกยากเศรษฐีต้องกลายมาเป็นยาจกมันทุกข์ทรมานยิ่งกว่าเกิดมาเป็นคนจนตั้งแต่เริ่มแรกเลยอีกเพะว่าการที่บุคคลใดก็ตาม ได้เคยเสวยความสุขแล้วมาประสบกับความทุกข์ยากอีกน่าเป็นความทุกข์อย่างยิ่งอันเนี้ยเกิดมาจากเพราะว่าประมาทประมาทตรงที่ว่าถึงคราวจะทำบุญได้แล้วก็ไม่ทำบุญเป็นผู้คอยบริโภคแต่บุญเก่าตลอดเวลาไม่ทำบุญใหม่เพิ่มเติมแล้วบุญที่ไหนมันจะอยู่อุปถัมป์ตลอดชีวิตผลสุดท้ายมันก็จะต้องหมดลงในวันใดวันหนึง่ง เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยแม้ว่าชีวิตนี้จะเพียบพร้อมเรื่อความผาสุกใดๆก็าตามก็ควรจะทําบุญอย่าคิดว่าเราไม่ต้องทําบุญก็ได้ชีวิตของเราก็เป็นสุขสบายแล้วอันนั้นเป็นการพูดแบบชนิดที่ใช้สมบัติเก่าแต่ไม่หาสมบัติใหม่เพิ่มเติมผลสุดท้ายสมบัติเก่าก็ร่อยรอลงไปเนี่ยด้วยเหตุนี้ในโลกมนุษย์นี้ถ้าหากว่า เราไม่สมาดสั่งสมบุญของเราไว้อยู่เสมอเสมอบุญที่สั่งสมไว้ทุกๆวันนี้ก็จะเพิ่มภูนมากขึ้นเราก็าจะได้กุศลเนี่ยมากขึ้นตามลำดับไม่ว่าบุญนั้นเราจะทำกันครั้งละเล็กละน้อยสักแค่ไหนก็ตามขอให้ทำแล้วให้ทำเป็นนิตยทานนิตยทานนั้นหมายถึงทานที่เราทำอยู่เนืองนิ ทำอยู่เป็นอาจินบางคนนี่อกุศลไม่ได้ทำแต่ว่าทาแต่อกุศลอยู่เนืองนิดเป็นอาจินนกรรมคือบางทีก็ฆ่าสัตว์อยู่เนืองเนืองตลอดเวลาทำบาปอยู่เนืองเนืองตลอดเวลาไม่สร้างกุศลเลยอย่างนี้ก็เป็นแต่อาจินนกรรมสร้างแต่อาจินนกรรมที่เป็นอกุศลอยู่เสมอเมื่ออกุศลเหล่านี้มากระทบเข้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ชีวิตของตนจะต้องเสวยวิบาศคือผลแห่งอกุศลแล้วนั่นแหละความทุกข์ก็จะเข้าครอบงา ม, มากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องการที่เราสั่งสมบุญอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยเป็นความดีอย่างหนึ่งแต่ความดีส่วนนี้ถ้าหากว่าเป็นไปเพื่อวัตคามินีแล้วเราก็จะอยู่ในฐานะเหมือนคนผูกรวงเหมือนกัน ที่ว่าเหมือนคนถูกลวงเนี่ยคือเหมือนกับเราถูกลวงไปฆ่าแม้ว่าพระจะชวนท่านไปสวรรค์อาตมาชวนท่านว่าเรามาทำบุญกันเถอะใส่บาตรทุกๆวันตายแล้วเราจะได้ไปสวรรค์ไม่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ถ้าท่านไปเกิดเพียงแค่สวรรค์อาตมาก็ลวงท่านเนี่ยไปฆ่าบนสวรรค์ลวงไปให้ความแก่ความตายฆ่าบนสวรรค์อีก และก็รวงมาอีกว่ามาเกิดในมนุษย์เถอะมนุษย์เนี่ยเป็นสุกติภูมิบางทีจะมีความผาสุกบ้างเมื่อท่านมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามก็เหมือนกับถูกรวงมาฆ่าในโลกมนุษย์อีกเพราะอะไรเพกาะความแก่จะต้องมาฆ่าท่านความตายจะต้องมาฆ่าท่านผลสุดท้ายเราก็ต้องถูกฆ่าไม่สิ้นสุดทุกภพทุกภูมิ คือเราหนีความแก่ความตายไม่พ้นก็เหมือนกับเราถูกบุรุษมารอรวงเราไปฆ่าเหมือนคนสองสามคนมารอรวงเราไปบางทีอาจจะชวนเราไปดูหนังอาจจะชวนเราไปรับประทานอาหารอาจจะชวนเราไปตกลงอะไรกันในโรงแรมเสร็จแล้วก็ไปฆ่าตายซก็ได้ชีวิตของมนุษย์ก็อยู่ในฐานะอย่างเนี้บางทีพัฒนาถึงความสุขในโลกมนุษย์อย่างหยดย้อยเทียว เกิดมาแล้วถ้าได้เป็นพระราชามหากระสัรจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เพียพร้อมหมดทุกอย่างเกิดเป็นเทวดาแล้วจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่ครั้นไปเกิดเข้าจริงๆก็ไม่เป็นไปตามนั้นแต่ว่าต้องพบกับความแก่ความตายเนี่ยก็เหมือนกับถูกลวงไปฆ่าฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะพารณาว่าบานสวรรค์มีความสุขอย่างไรก็ตามท่านไม่ได้ให้เราหยุดอยู่เพียงแค่นั้นโดยเฉพาะการทำบุญนี้ไม่ควรหยุดยัง้งแต่การทำบาปนั้นควรหยุดยัง้งควรผัดถอนว่าวันนี้ยังไม่มีโอกาสทำบาปเลยหยุดสักวันเถอะพรุ่งนี้ค่อยทำบาปต่อไปใหม่อย่างนี้ก็ ย, ยังชั่วหน่อย แต่ถ้าบุญบอกวันนี้ยังไม่ทำเราโอกาสหน้าไปทำอย่างนี้ไม่ถูกบุญต้องทำอยู่หนึ่งเืองบุญเราไปผักไม่ได้ต้องทำอยู่เสมอเสมอเมื่อสักครู่เนี่ยโยมยังมาถามบอกบางทีบาทเนี่ยเดือนหนึ่งใส่ไม่เต็มจะไม่กล้ามาส่งอายท่านบางทีบางวันอาจจะได้ใส่บางวันอาจจะไม่ได้ใส่ อะไรทํานองเนี่ยลืมบ้างอะไรบ้างอันนี้ขอร้องว่าอย่าลืม <c oughs> คือการทํากุศลเนี่ยอย่าลืมแล้วก็อย่าอายไม่ลืมไม่อายเป็นใช่ได้ในด้านของความดีการทําความดีไม่ต้องอายมาเปิดก้นบาตรทีมีสลึงหนึ่งก็ยังดี มีสลึงหนึ่งก็ไม่ต้องอายหรือมีสิบสตางค์ก็ไม่ต้องอายอสิ่งที่เราควรอายคือการทำบาปบาปแม้เป็นนิดเดียวก็อย่าทำหน้าอายอย่างยิ่งเราจะต้องอายบาปแล้วก็ลืมทำบาปกันบ้างทำบาปลืมได้ดีไม่เป็นไรแต่ทำบุญอย่าลืมถ้าเราลืมฆ่าสัตว์ลืมรักทรัพย์ ลืมประพฤติผิดในการลืมพูดเท็จลืมดื่มสุราเมรยัยลืมอย่างนั้นดีหรือลืมคิดประทุจร้ายคนอื่นดีส่วนกุศล น, นั้นไม่ควรลืมควรทําอยู่เสมอเสมอเนี่ยเพราะฉะนั้น เ, เรื่องของบุญเรื่องของกุศลเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าประมาทไม่ได้จะต้องนึกถึงอยู่ตลอดเวลา แล้วการที่เราสั่งสมบุญไหวอยู่เสมอๆนั้นเป็นความดีและบุญอันนี้ต้องอธิษฐานเพื่อไปสู่วิบัติคามินีท่าหลายดูในหนังสือคู่มือที่ให้ใส่บาตเราต้องอธิษฐานไปสู่ความดับทุกข์แต่ระหว่างที่ยังไม่ถึงซึ่งความดับทุกข์เนี่ยแม้เราจะเวียนตายเวียนเกิดอยู่ก็าตามเราก็ไม่เกิดในที่ต่ําเราจะไม่อดอยาก ยังเราใส่บาตรอยู่เสมอนี่เกิดชาติใดฉันใดไม่ยากจนอดอยากต้องเพียรพร้อมด้วยความผาสุกได้ด้านปัดใจสีเนี่ยอย่างแน่นอนเราจะไม่ขัดสนในเรื่องของปัดใจสีจะได้รับความผาสุกทุกภพทุกชาติแต่พร้อมกันนั้นก็ต้องอาศัยบุญส่วนนี้ไปสู่วิวัติคามินีขอให้บุญบารมีที่เราทำอยู่เสมอเสมอเนี่ยให้เราได้พบพระสีอารยะเมตไตร ในชาติหน้าก็ยังดีเราจะได้ทำที่สุดแห่งทุกได้เมื่อคืนนี้ยังนั่งคุยกันหลายๆท่านด้วยกันมีท่านหนึ่งวิตกบอกว่าอีกชั่วไม่นานนักข้างหน้านี้โลกมนุษย์นี่จะเป็นแดนนิคสันยีก็ถามว่าอีกไม่นา น, นประมาณกี่ปีก็บอกว่าคงจะไม่เกิน ร้อยปีสองร้อยปีข้างหน้านี้หรอกโลกมนุษย์เนี่ยก็คงจะสับสนวุ่นวายมากไปกว่านี้ก็บอกว่าทำยังไงถึงจะไม่มาเกิดในยุคนั้นคือทำอย่างไรชีวิตเราเนี่ยจึงจะไม่มาเกิดในยุคที่เขากำลังเป็นมิขสันญีกันเพราะว่าในสมัยใดที่โลกมนุษย์นี้เต็มไปด้วยการลบลาฆ่าฟันกันในสมัยนั้นจิตของมนุษย์เนี่ย จะคิดทำกุศลเนี่ยไม่มีทุกวันจะเต็ม ไ, ได้วยความหม่นหมองเต็ม ไ, ได้วยความทุกข์เป็ม ไ, ได้วยความคิดประหัดประหารกันโอกาสที่จะคิดทำบุญเนี่ยไม่มีหน้าตาก็จะไม่สดใสเราศึกษาดูได้จากบางประเทศในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะสับสนวุ่นวายเนี่ยเห็นใบหน้าของชาวเมืองนั้นแต่ละคนแต่ละคนแล้วไม่สดใส แต่ไม่ได้ความเศร้าหมองฉะนั้นจิตคิดจะทําบุญเนี่ยก็ไม่มีมีแต่จะฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทํายังไงเราจึงจะไม่เกิดในยุคนั้นตมาฯก็บอกว่าไม่เกิดหรอกเพราะว่าเวลาบนเทวโลกกับเวลาในมนุษย์โลกเนี่ยต่างกันสองพันปีในโลกมนุษย์นี่เพียงไม่กี่วันบนเทวโลกเพราะฉะนั้นในชีวิตชั่วชีวิตเราเนี่ยเรารีบตักตวงบุญเอาไว้ทํากุศลไว้ เราตายแล้วเราไปเกิดบนเทวโลกเรายังอยู่บนเทวโลกนู่นแม้โลกมนุษย์จะฆ่ากันอย่างไรก็ตามเราก็หนีพ้นไปอยู่บนเทวโลกแล้วต่อเมื่อใดโลกนี้มีความผาสุกมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตรัสรู้ขึ้นอย่างน้อยองค์ที่จะมาถึงคือพระศรีอริยะเมตไตรเราเพค่อเกิดมาใหม่มาฟังพระศรีอ่านิยเทพบ้างอธิษฐานไว้ให้ดีๆเราอาจจะได้มาฟังท่านเทพโปรดเรา เราอาจจะได้บรรลุมรรคผลในศาสนาของท่านในสมัยหน้านี้ก็ได้ถ้าเราอธิษฐานไว้อย่างนี้ไม่พบไม่พบยุคมิกสันดีเช่นนั้นอันนี้เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องอยู่ในฐานะอัตตาหิอัตโนนาโถคือจะต้องตนจะต้องเป็นที่พึ่งของตนเพราะว่าเรื่องบุญนี่ใครทำใครได้ ทำเผื่อกันไม่ได้ด้วยคนไหนทำคนนั้นก็ได้เราจะต้องหาทางสร้างกุศลให้ให้ตนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะเัดนั้นถ้าทำกุศลอันใดต้องปรารถนาไปสู่วิวัติคามินีคือการไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละเราจรึงจะสามารถพ้นจากการถูกหลอกลวงได้โชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่เราได้ มาพบพระพุทธศาสนาและเราได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างน้อยท่านทั้งหลายรู้แต่เพียงว่าความเกิดหรือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยเป็นทุกข์เพียงแค่นี้เราก็ฉลาดขึ้นเปงแยะแล้วอย่างน้อยก็คงจะไม่มีใครมารวงเราไปฆ่าแต่ถ้าเราไม่รู้เลยสิจะถูกรวงและเราจะถูกฆ่าเนี่ยไม่สิ้นสุด สถานที่ท่านสรุปว่าเกิดแก่ตายเนี่ยเหมือนเป็นศัตรูของชีวิตสัก์เหมือนบุรุษสามคนมาพารนาถึงความสุขในสถานที่ต่างๆอันน่ารื่นรมเพื่อให้เราตายใจพอตายใจแล้วเขาก็เอาเราไปฆ่าผลสุดท้ายเราก็ถูกฆ่าตาย <c oughs> อย่างที่เรามาถูกฆ่าในโลกปัจจุบันนี้ บางคนไม่ใช่ถูกฆ่าหรอกถูกทรมานทรมานด้วยพยาธิคือคนที่มีโรคเี่ยเหมือนคนถูกทรมานคนเกิดมาแล้วแก่แล้วตายเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ถูกทรมานอย่างดีก็โดนฆ่าแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บแล้วเหมือนเหมือนทรมานบางทีทรมานกันเป็นสิบสิบปี แรมเดือนเนี่ยและความทรมานเช่นนี้มันเป็นทุกข์อย่างหนึ่งอันนี้เรื่องมาจากเพราะความเกิดเพราะฉะนั้นทุกข์ทั้งหลายเช่นนี้เราศึกษากันเข้าใจแล้วก็จะได้สั่งสมบุญเพื่อไปสู่ความไม่ไม่เกิดไม่เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อีกต่อไปให้เห็นทุกเห็นภัยแม้บนเทวโลกและบนธรมมาโลก ว่าถึงจะมีความสุขอย่างไรก็ตามก็ยังคงเป็นภูมิที่ไม่น่าเกิดอยู่นั่นเองดิพานเท่านั้นที่จะเป็นสันติสุขได้อย่างแท้จริงแต่เมื่อยังไปไม่ถึงยังจะต้องเกิดอีกก็มีความทุกข์น้อยหน่อยดีกว่าที่จะไปเกิดในอบายอยภูมิทั้งสี่อันนี้เป็นการสรุปถึงทุกข์ทั้งสามประการที่ ท่านอัศกถาจาร์ท่านได้พรรนาเอาไว้ความทุกข์ที่เป็นเบ็สเสรดในชีวิตของคนเนี่ยอาจจะมีไม่เหมือนกันก็คือโศกะคำว่ า, าโศกะนี้ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านทั่ทวไปก็คือความเศร้าโศกความเศร้าโศกเสียใจ หรืออาการร้องไห้เนี่ยเป็นเป็นเป็นโศกโศกคือความเศร้าโศกเป็นทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าโศกะคือความเศร้าโศกนี้เกิดมาจากสาเหตุคือการชัดพราบเนี่ยอย่างหนึ่งเช่นอย่างเรา พลัดพรากจากของรักของชอบใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุหรือจะเป็นบุคคลถ้าพลัดพรากจากกันแล้วเราก็เศร้าโศกเช่นคนรักกันพลัดพรากจากกันไปพ่อแม่พลัดพรากจากลูกพี่น้องพลัดพรากจากกัน หรือแม้แต่เพื่อนที่เรารักลัดพลาดจากกันเราก็รู้สึกเสียใจร้องไห้อาการเช่นนี้เป็นอาการของความเศร้าโศกเพราะฉะนั้นความโศกเนี่ยเกิดมาจากการคัดพลาดมีพุทธภาสิทธิบทหนึ่งซึ่งอาจจะมีหลายท่านนึกคานในใจเช่นที่ท่านบอกว่า ผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรผู้ใดผู้มีอุปธิย่อมเศร้าโศกเพราะอุปธิผู้ใดไม่มีโคไม่มีบุตรไม่มีอุปธิผู้นั้นย่อมพ้นจากความเศร้าโศกโดยประการทั้งปวงปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกของคนส่วนมาก เราเข้าใจว่าการไม่มีอะไรสิมันน่าเสียใจการที่ไม่ได้อะไรเนี่ยน่าเสียใจมากกว่าการได้มานั้นทุกคนจึงพยายามที่อยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาเป็นสมบัติของตัวเองถ้าไม่ได้แล้วก็ร้องไห้เช่นลูกบางคนอยากจะได้รถเก๋งสักคันหนึ่งพ่อแม่ไม่ยอมซื้อให้ก็นั่งร้องไห้ อยากจะได้แหวนเพชรสักวงหนึ่งไม่ซื้อให้ก็ร้องไห้อยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ซื้อให้ก็มานั่งร้องไห้การไม่ได้อะไรมานั้นกลับเป็นเหตุแห่งความเศร้าโศกเสียใจเราเข้าใจว่าการไม่ได้อะไรตังหาและคือความเศร้าโศกนี่เป็นเป็นความรู้สึกของของคนเรา ท, ทั่วไปเป็นอย่างนี้เราจึงเข้าใจว่าการมีอะไรนั้นคือความสุขอย่างหนึ่ง ได้มาแล้วก็จะหายโตกอย่างเด็กอยากจะได้ของเล่นอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าพอพาเด็กไปเที่ยวตามร้านไปเห็นรถถังสักคันนึงเห็นเครื่องบินสักเครื่องหนึ่งก็อยากจะได้ถ้าคนพาไปไม่ซื้อให้เด็กก็ลงริ่นพลาดพลาดร้องห่มร้องไห้พอซื้อให้ก็หยุดร้องหยุดเศร้าโศกถ้าก็ว่าถ้าได้อะไรมาเป็นของตัวเองแล้วเนี่ย ดีอกดีใจกลายเป็นความผาสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะฉะนั้นอันนี้เองที่เป็นมูลเหตุอันหนึง่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วอยากจะมีไอ้นั่นอยากจะมีไอ้นี่แล้วเข้าใจว่าการมีนั้นนะเป็นความสุขอย่างหนึ่งการไม่มีนั้นเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านกล่าวาว่าคนมีไอ้นั่นมีไอ้นี่จะต้องเศร้าโศกเพราะไอ้นั่นเศร้าโศกเพราะไอ้นี่ ยังมีอะไรก็ตามจะต้องเศร้าโศกกพรสิ่งที่ตัวเองมีถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่เศร้าโศกจากสิ่งที่ไม่มีอะไรความมีเป็นเหตุแห่งความเศร้าโศกความไม่มีอะไรนั้นกลับไม่ต้องเศร้าโศกเนี่ยพุทธพจน์กับความเข้าใจของสาธุชนเนี่ยตรงกันข้ามเหมือนเดินทางสวนกัน เรามุ่งสแสวงหาความมีมุ่งสแสวงหาความเป็นอยากมีไอ้นั่นอยากเป็นไอ้นี่เข้าใจว่าพามีอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขแต่เราไม่ได้คิดอยู่สักนิดเดียวว่าสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นนั้นจะเป็นเหตุแห่งโศกะต่อไปจะเป็นเหตุแห่งความเศร้าโศกต่อไปเราไม่ได้คิดเหมือนเด็กได้ของเล่นมาแกหยุดร้องห้าหยุดเศร้าโศก แต่เกิดมีใครมาลักของที่แกเล่นอยู่ที่แกรักไปเนี่ยหรือของนั้นเกิดช้ำรุกเสียหายใครมาช่วงชิงไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยแกก็เศร้าโศกแ่จะต้องร้องไห้หนักขึ้นไปอีกกว่าที่แกร้องไห้อยากจะได้ของนั้นมาความทุกข์เนี่ยจะเพิ่มอีกหลายเท่าจากการที่อยากได้อะไรมาเป็นทุกข์หนักเนี่ยความทุกข์อันนี้เกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากร้อแก่มีของสิ่งนั้น และเมื่อของสิ่งนั้นสูญเสียไปก็จึงเศร้าโศกจากสิ่งที่แกมีถูกแย่งไปก็เสียอกเสียใจอาตมาอยากจะพูดเตือนใจอะไรสักอย่างหนึ่งจากความรู้สึกนึกคิดของคนดาวปัจจุบันเนี่ยทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีหลายท่านนั่งวิตกว่า อายุมากแล้วยังไม่ได้แต่งงานเลยจะแก่ตายเปล่าซะก็ไม่รู้แล้วก็บางทีเพื่อนก็กระตุ้นเมื่อไหร่จะแต่งสักทีละ่ะอยู่แก่เปล่ารูปแบบเนี้ยผลสุดท้ายก็จะแก่ตายเปล่าคือได้ยินบ่ยบอยๆแล้วก็ทำให้อยากจะศึกษาศึกษาตรงที่ว่า การแต่งกับการไม่แต่ง <c oughs> คือการมีครอบครัวกับการไม่มีเนี่ยอย่างไหนจะเป็นสุขกว่ากันพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วมีอะไรเป็นทุกข์มีโคต้องเศร้าโศกระโคกมีบุตรต้องเศร้าโศกระบุตรเพราะฉะนั้นถ้าสุภาพบุรุษมีพรรญาก็ต้องเศร้าโศกระพรญาสุภาพสตรีมีสามีก็ต้องเศร้าโศกราะสามี และไม่ว่าเราจะมีสมบัติอะไรเราจะต้องเศร้าโศกจากสมบัตินั้นๆอันเนี้ยเป็นพุทธวจนะแล้วก็เป็นศัจธรรมจริงหรือไม่จริงเราลองศึกษาหาข้อมูลกันดูก็ได้สาเหตุที่ต้องแต่งนั้นก็เหตุว่าเดี๋ยวแก่แล้วไม่มีใครเลี้ยงดูขาดที่พึ่งพิงไม่มีลูกจะพึ่งเวลาเจ็บเวลาไข้ใครเขาจะดูแลอันนี้เรื่องหนึ่ง เวลาเราจะเจ็บจะใข้ใครเขาจะมารับใช้ใครเขาจะมาเลี้ยงเราเมื่อตอนที่เราทำมาหากินไม่ได้ถ้าเราไม่มีลูกอาตมาไปเยี่ยมโยมหลายคนเวลาเจ็บโยมบางคนมีลูกตั้งสิบคนแต่คนที่ปรนิบัติเวลาเจ็บไม่ใช่ลูกนางพยาบาลเป็นผู้ปรนิบัติ แล้วก็ไปสืบถามคนแก่ที่บ้านบางแครคนแก่ที่อยู่บางละมุงของกรมประชาสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ลองวิจัยดูว่าคนแก่ที่มาอยู่ที่นี่แต่งงานกี่เปอร์เซนต์ไม่แต่งงานกี่เปอร์เซนต์ปรากฏว่าคนแก่ที่แต่งงานมีลูกมากกลับพึ่งลูกไม่ได้เลยถูกทอดทิ้ง รูปหนึ่งคนตั้งหลหนึ่งพึ่งไม่ได้สักคนเดียวผลสุดท้ายต้องกรมประชาสงเคราะห์เลี้ยงคนที่ไม่ได้แต่งงานที่จะไปเป็นอุปการะสงเคราะห์มีเป็นส่วนน้อยส่วนน้อยนั้นก็คือประเทศอายุยืนเกินไปหมายถึงว่าอยู่นานเกินไปตั้งแปดสิบเก้าสิบปีอยู่ไปทําไมผลสุดท้ายก็ต้องกรมประชาสงเคราะห์ต้องอุปการะ เพราะฉะนั้นข้ออ้างที่ว่ากลัวว่าแก่แล้วจะไม่มีใครเลี้ยงดูนะไม่ต้องกลัวหรอกปรากฏว่าคนที่มีลูกมากๆที่อีกลับไม่มีใครเลี้ยงไม่จริงนะสถิติมีอยู่ยอดมีไปดูได้เพราะฉะนั้นเราจะาศึกษาได้ว่าชีวิตของคนที่มุ่งสแสวงหาความสุขนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีอะไร ถ้าเราพยายามปฏิบัติตนเพื่อไปสู่ความไม่มีอะไรมากเท่าไหรนั่นนะ่ะเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะคิดว่ามีลาบแล้วเป็นสุขมียศแล้วเป็นสุขมีคนสันเสริญแล้วเป็นสุขมีความสะดวกสบายต่างๆแล้วเป็นสุขตรงกันข้ามมันจะต้องทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้ท่านไม่มีแหวนเพชรท่านจะไม่ต้องกลัวว่าแหวนเพชรจะหาย ไม่มีเงินทองมากก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะถูกจี้ถูกกล้นมันไม่มีอะไรจะหายนี่เราก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์ไปกังวลแต่คนที่มีซะอีกจะต้องนั่งเป็นทุกข์นั่งกังวลทุกอย่างท่านไม่มีสามีไม่มีพันยาท่านก็ไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์ว่าเขาจะไปเหลวไหลที่ไหนไปเบี้ยวไปบูดที่ไหนบ้างก็ไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์ไม่ต้องไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องอมากังวลสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งนั้น เนี่ยเพราะฉะนั้นการไม่มีอะไรนะนะั่นแหละคือความสุขอย่างหนึง่งการมีอะไรนั้นเสิอีกจะเป็นเป็นความทุกข์อย่างหนึง่งและจะเกิดความเศร้าโศกจากสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นตัวโศกกะเนี่ยคือความเศร้าโศกนี้ท่านบอกว่าเกิดมาจากสิ่งที่มีและสิ่งที่มีนั้นเกิดพัดพราดจากไปบางคนอาจจะค้านว่าก็เรามีแบบไม่พัดพลาดละ่ะเรามีแต่ไม่พัดพลาดเนี่ย ที่ดีๆก็มีเยอะแยะไปที่ไม่เบี้ยวไม่บูด ท, ที่เขาซื่อสัก์ซื่อปรงก็มีอยู่จนกระทั่งแก่ตายก็มีขอให้ท่านตารวจดูให้ดีว่ามีสมบัติอะไรบ้างไหมในโลกมนุษย์นี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีบ้างไหมในโลกมนุษย์เนี่ยที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเอาวัตถุที่แข็งที่สุดใจอ่อนๆของมนุษย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเปลี่ยนวันละหลายหลายครั้งแต่ว่า เอาวัตถุที่แข็งที่สุดที่มันแน่นอนที่สุดนะในโลกมนุษย์เนี่ยมีบ้างไหมที่ไม่เปลี่ยนแปลงโลกที่เราเหยียบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะคิดว่ามันอยู่เฉยๆนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่หยุดนิ่งหรอกสสารทั้งปวงมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรหยุดนิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งก็าตาม มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่มีสิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้แหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์แห่งความเศร้าโศกแต่เกิดเปลี่ยนแปลงไปเราก็เกิดเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาจากสิ่งสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเพระฉะนั้นไม่มีสมบัติอะไรในโลกนี้เลยที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนจนได้แต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองมันจะมีเวลาอยู่กับเรานานหรือมีเวลาอยู่กับเราน้อยเท่านั้นแหละ แต่มันต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามเกิดไปยึดถืออะไรเข้าในโลกมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่จะไม่เป็นทุกข์นั้นไม่มีในโลกจะไม่มีเลยที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเราไปยึดแล้วจะไม่เป็นทุกข์เนี่ยไม่มีมีทุกข์ทั้งนั้นเหมือนกับเราไปหยิบก้อนไฟทุกๆ ก, ก้อนไปจับตรงไหนนั่นนะคือไฟจับตรงนี้ก็เป็นไฟจับตรงนั้นก็เป็นไฟไฟท่านั้น แล้วก็อันนี้จะเป็นเหตุแห่งโศกเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเศร้าโศกต่อไปเพราะฉะนั้นในที่หลายๆแห่งที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ท่านถึงได้ชี้ให้เห็นว่าความคลั่งไคา้จากของรักของชอบใจ เ, เป็นเหตุแห่งโศก ปิยโตชายเตโสโกความโศกคือโศกย่อมเกิดมาจากความรักท่านจะรักบุตรจะรักวัตถุสิ่งของจะรักอะไรก็าตามที่เป็นของท่านนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความเศร้าโศกความโศกย่อมเกิดจากของรักของชอบใจหรือว่า การพัดพลาดจากของรักของชอบใจเนี่ยย่อมเป็นเหตุแห่งโศกคือความเศร้าโศกทีนี้ที่ว่าความโศกเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ยังไงเราก็คงจะเข้าใจขึ้นความโศกเป็นทุกข์อย่างไรตวอดความโศกนี่ โดยลักษณะของความโศกนั้นก็คือโทมนัสนั่นเองอคำว่าโทมนัตเนี่ยเราเรียกว่าโทมนัตใจคำว่าโทมนัตใจนี่ก็คือความรู้สึกเสียใจลักษณะอาการอย่างนี้ทำให้น้าไหลออกทางตาเราเรียกกันว่าคนร้องไห้พอโทมนัตไปบีบคั้นเข้ า, ข า, ข า, ข า, ขาน้า ม, มันก็ไหลออกทางตา นั่งร้องไห้อาการที่นั่งร้องไห้เฉยๆไม่ไปบน่นไม่ไปรำพันอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าโศกะบ่นรำพันนี่หมายถึงบ่นออกมาเป็นภาษานะเสียงฮือๆนั้นไม่เรียกว่าบน่นเสียงฮือๆนะั้นเป็นเสียงเศร้าโศกไม่เรียกว่าบน่นเพราะไอ้ บ, บ่นนี่เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าปริเทวะแปลว่าบ่นเพ้อรำพันเป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งแต่ข่านโศกะนี่เพียงแต่ว่า คือแล้แต่ว่าน้ำไหลออกตาเหมือนเด็กร้องไห้อันเนี้ยเป็นอาการของความเศร้าโศกนี่เป็นเป็นของอาการโดยลักษณะนั้นมีการกระสับกระ